พวกเราทุกๆองนะที่เป็นพระก็ามาบวชในพระพุทธศาสนามีเวลาน้อยก็มีแล้วกั บ, บวชประจำก็มีก็ให้สําเนียกสํานึกไว้อยู่เสมอว่าเราเป็นนักบวชเราเป็นพระให้ทั้อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยจากนั้นก็ให้ประพฤติปฏิบัติเรื่องจิตภาวนานเป็นเรื่องที่ พวกเราควรจะศึกษาอย่างยิ่งอย่างอื่นเราก็ศึกษามาพอสมควรแล้วแต่เรื่องจิตตภาวนาเนี่เป็นหัวใจของพระเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งยวดเรื่องภาวนานแต่เรื่องอย่างอื่นมนเขาเป็นกฎเป็นระเบียบเพื่อจะตะล่อมเขามาสู่จุดนี้เรื่องศีลอย่างที่กล่าวมา ก็เป็นเครื่องที่ตีกรอบทำรั้วไม่ให้จิตออกไปนอกลูนอกทางศีลไม่ว่าศีลห้าไม่ว่าศีลแปดไม่ว่าศีลสิบไม่ว่าศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดสรุปแล้วก็คือให้ใจของพุทธบริษัทสีที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ให้ออกนอกลูนอกทางให้อยู่ในกรอบ ของศีลเพื่อจะได้เดินไปสู่มรรคส่ผลนิพพานได้ง่ายขึ้นแต่ว่าเราผิดศีลออกนอกลู่นอกทางสเปสปาไปเรื่อยการเดินทางก็ล่าช้าเพราะนั้นศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นี่ก็คือตีกรอบสองข้างเอาไว้ศีลสองอยี่สิบเจ็ดข้อดของพระของญาติโยมก็คือศีลแปด ศีลห้านะถ้าพวกเราอยู่ในกรอบของศีลห้านี่ก็พิจารณาดูก็แล้วกันหลวงพ่อว่าเป็นบุคคลที่น่านับถือน่าเลื่อมใสไม่น้อยสำหรับผู้มีศีลห้าถ้ามีศีลแปดเข้าไปอีก ย, ยิ่งดียิ่งน่าเคารพกราบไหว้เห็นไหมแม่ขาวแม่ชีเขามีศีลแปดเขายังกราบกันลง กราบกันได้สรุปแล้วก็คือท่านสั่มรวมกายของท่านคนทั้งหลายก็กราบลงได้เพราะว่าท่านเป็นผู้ทรงศีลถ้าเป็นพระศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดผู้ที่มาพบมาเห็นเขาทำอย่างเราไม่ได้จะรักษาอย่างเราไม่ได้เราเป็นผู้มีศีลเขาจึงกราบเราลงไม่ใช่กราบ ผ้าเหลืองศรีรษะโลน้นเฉยๆนะเขากล้าผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้มีศีลเขายัางกลา้าเพราะนั้นเราต้องตรวจตราตนเองอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์มากน้อยอย่างไรแค่ไหนหรือไม่ต้องตรวจอยู่เสมอเพราะนั้นเมื่อเราเป็นผู้มีศีลแล้วเราก็จะเป็นผู้กล้าหาญ ล, ล่าเริง พลันศิลเป็นเครื่องคุ้มครองกายวาจาของเราจากนั้นก็เรื่องสมาธิทำพยายามทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งอย่างที่ผมพูดครั้งที่แล้วให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอันนี้ก็คือกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่น ที่ท่านอบพรมแนะนำสั่งสอนสิทธิานุสิตของท่านจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นตุกสิทธิ์ขององค์หลวงปู่ก็ก น, นำมาแนะนำสั่งสอนพวกเราที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนต่อไปตามไม่จริงพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติธรรมภาวนาของพระองค์จิกโพลต้นโพเมื่อสองพันกว่าปีพระพุทธองค์ก็เพียงแต่กาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกท่านก็ไม่ได้กล่าวว่าพุทธโธจะมีแต่รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกสั้นออกยาวให้มีสติในลมหายใจนะพอต่อมาหลวงปู่มั่นของเราประยุกต์มาใชา้เวลาหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธเวลาหายใจออกบริกรรมว่าโธอย่ว่าพุทโทพุทธโธทําใจให้อยู่ในปัจจุบัน ไม่คิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องคิดจะไปคิดถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงให้ใจของเราอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันนจิตปัจจุบันนรรมจิตใจที่อยู่ในปัจจุบันจิตใจที่มีคุณค่าจิตใจที่คิดถึงอดีตพิจกกังวลในอดีตจิตใจที่คิดถึงอนาคตพิจกกังวลไปในอนาคตเป็นจิตที่ไร้ค่าไร้ไรประโยชน์เพราะฉะนั้น ให้พวกเราท่านทั้งหลายนะให้ภานาบริกรรมพทรุพโทโธพุทโธอยู่ในจิตในใจนั่นแหละจากนั้นเมื่อจิตสงบแล้วก็ น, นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรพระพุทธเจ้าให้พิจารณาอันดับแรกก็คือกรรมฐานท่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจที่อุปชาให้แก่พวกพระพวกเนน เผ่าประชาสอนกรรมฐานห้าเกษาโลมานาขาทันตาตโจตะโ จ, ะโจทันตาหนาขาโลมาเกษาอันนี้คือกรรมฐานห้าสำหรับสอนพระศอนเนนก่อนที่จะบวชเกษาคือผมโลมาคือขนนาขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังอันนี้คือกรรมฐานให้พิจารณา พิจารณาอย่างไงจึงเป็นพระกรรมฐานพิจารณาอย่างไงจึงไม่ใช่พระกรรมฐานพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยงามเป็นของอสุภะผมมันเป็นยังไงอยู่ในสันฐานยังไงเวลาหลุดออกมาแล้วเป็นยังไงขนของเราเป็นยังไงเล็บของเราที่ไม่รักษาไม่ดูแลเป็นยังไงทันตาฟันถ้าเราไม่ขัดไม่สีไม่ทําความสะอาดเป็นยังไงสกปรกไม้ตาโจหนัง ร่างกายของเราหุ่มหออยู่ด้วยหนังเนี่ยถ้าว่าเราไม่อาบน้ำไม่ชำระกายจะเป็นยังไงฮมันมีกลิ่นอย่างไรเนี่ยอันนี้พ ร, พระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้ดูให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยอันนั้นเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วไ ม, ไม่ไม่มีเวลามากพระอุปัชฌาย์ไม่มีเวลามากสอนเป็นเบื้องต้น ให้เข้าใจเออกรรมาฐานห้าพิจารณาอย่างนี้ไปก่อนนะออคล้ายๆว่าเ อ, อ เ, ออเอาลูกกระสุนให้สองสามนัดเพื่อยิงสู้กับศัตรูที่เป็นกิเลสเราะงั้นเถอะทำให้พิจารณากรรมาฐานห้าเนี่ยออกิเลสกามราคาโทสะมันจะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเพราะนั้นพระอุปชาจึงเอาลูกกระสุนไว้ให้ห้านัดนะ เ, ออเพื่อยิงกิเลสพรางัออ้นเถอะจากนั้นท่านก็ให้พิจารณา สอนวิธีการยิงให้ด้วยยิงแบบไหนยิงจะถูกต้องยิงแบบไหนแทนที่มันจะผิดเป้าหมายยิงไงจึงจะถูกเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าที่ท่านมีจุดประสงค์อะไรถึงท่านจึงให้กรรมฐานหาอย่างนี้เนี่ยอุปชาก็สอนสอนอธิบายแบบรวบรัดเนีย่ยกรรมฐานหาจากนั้นก็ท่านสอนให้ลึกเข้าไปอีกทเนี่ต่อมาทเนี่เมื่อเราบวชเข้ามาแล้วเราก็ควรศึกษาให้ละเอียดเข้าไปอีกทเนี่ย เจสาผมโลมาข น, นาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้ออออุปชา ย, ยังไม่ได้สอนนะเนื้อนะคือร่างกายของเรามีเนื้อเป็นมัดอยู่ตามแข้งตามขาตามอวัยวะต่างๆมีเนื้อเหมือนกับเนื้อหมูน่ะเนื้อบัวเนื้อควายเราก็มีเนื้อมัอนกันมังสังเนื้อเอ็นกระดูก ยื่ในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าตีเสเลดน้อง <c oughs> จนถึงอุจจละปัสสวะให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมพอพิจารณาดูแล้วให้ถามซักไ้ไลเลียงดูว่าร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนแพทย์ ที่เราพวกเราเข้ามาบวชในขณะนี้เราเห็นไม่แล้วเราเห็นแล้วรู้แล้วไม่ต้องบอกก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงแต่ตามไม่จริงการรู้ของนักเรียนแพทย์หรือหมอเนี่ยรู้ด้วยสัญญารู้ด้วยสังขารแต่ว่าในหลักของพุทธศาสนานี่ให้รู้ด้วยปัญญาให้รู้ด้วยปัญญาอย่างไงให้รู้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรา มันเป็นเนื้อหนังเอ็นกระดูกอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายในที่สุดงของเราก็ตายเหมือนกันคนอื่นก็ตายแต่พวกเราเรียนรู้ธรรมดาเนี่ยบอกว่าเปลียงแต่ว่าตายแต่พอมาเจอตัวเองเข้านะความตายมาเจอตัวเองเข้าจึงสะดุ้งสิเนี่ยเราไม่น่าจะตายเรารักษาสุขภาพดีถึงขนาดนี้ไม่น่าจะตายแต่ตามไม่จริง ไม่ได้เลือกใครๆทั้งหมดถ้าถึงคราวแล้วไม่ว่าหมอหนุ่มหมอน้อยหมอเท่าหมอแก่แต่ผลที่สุดก็คือทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าหมอไม่ว่าสามัญชนทั่วไปอย่บางคนสามัญชนทั่วไปอายุแกกว่าหมอก็ทั้งเยอะแยะไปอย่บางทีหมอายุตั้งที่รักษาสุขภาพรู้จักวิธีการรักษาสุขภาพตายไปก็มากต่อมากเหมือนกันสรุปแล้วก็คือตายด้วยกันทั้งทุกคนไม่มีใครที่จะอยู่ นานเท่านานาสรุปแล้วก็คืออายุไขไปของไขของเราอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ให้พิจารณาว่าร่างกายของมนุษย์นี่เป็นยังไงมีอาการสามสิบสองอยู่ในร่างกายของเราและจากนั้นก็มีกระดูกเป็นโครงสร้างถ้าไม่มีกระดูกเป็นโครงสร้างร่างกายนี่ก็มันก็มีตะนหนัมมีตะเนื้อ มันก็จะไปเดินได้ยังไงอันนี้เพราะมีโครงสร้างเหมือนกับโครงเหล็กอยู่ข้างในนะอันนี้ก็คือการพิจารณาร่างกายร่างกายของเราเนี่ยแต่สมัยก่อนก็เป็นเด็กต่อมาอาศัยการได้อยู่ได้กินอาหารการบริโภคดูแลสุขภาพก็ใหญ่ขึ้นมาตามลำดับลาดั บ, บ, บแต่มาถึงจุดหนึ่งร่างกายก็อยู่ อยู่ในสภาพคงที่จากนั้นพออายุแก่ขึ้นมากะแก่ง่อมลงไปตัวเล็กลงไปย่นลงไปแต่ถึงยังไงก็ตามร่างกายถึงจะเลี้ยงบำรุงบำเรออ้วนหมีผีมันอาหาร ด, ดีขนาดไหนถูกสุขลักษณะขนาดไหนดูแลถูกต้องขนาดไหนให้หยุกให้ยาบำรุงบำเรอถูกทุกกระเบียดนิ้ว ไม่มีที่ตำหนิได้แต่ร่างกายนี่ก็ยังเป็นคนอื่นอยู่เสมอถึงข่าวแก่มันก็แก่แกไปเรื่อยๆเจ็บเวลาจะเจ็บก็เจ็บเวลาจะตายก็ต้องตายไม่มีใครที่จะห้ามได้ต้านทานได้มันไหลไปสู่จุดอนิจจังทุกขังอนัตตาเนะี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ประมาทในการเป็นอยู่ของตนเองร่างกายนี่มันไม่ใช่ ของกิรังถาวร น, นะอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายตายแต่พระพุทธเจ้าสนใจกัในร่างกายนั้นมีอะไรพวกเราทั้งหลายเห็นแต่ร่างกายแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านให้ความสนใจนั่นก็คือใจในร่างกายนั้นมีนมามธรรมที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเรียกว่านมามธรรม จะไปช้าแหละจะไปตัดไปอะไรออกจากร่างกายก็จะมองไม่เห็นส่วนนามธรรมตัวนั้นตัวผู้รู้ตัวนั้นแต่ว่าตามไม่จริงในหลักของวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือว่านักคิดทั้งหลายด้วยวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขาก็ว่าสมองเป็นต้นคิดของเรื่องต่างๆ แต่ในหลักของพุทธศาสน า, าพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ใช่สมองเป็นเครื่องมือของใจใจนั้นคือตัวผู้รู้คือตัวนมามธรรมมองไม่เห็นแต่เข้ามาเป็นใหญ่ในร่างกายสมองเป็นเครื่องใช้ของใจใจมาใช้สมองสมองเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ใจนั้น มากดใช้คอมพิวเตอร์สั่งการสั่งงานออกไปแต่พอร่างกายแตกสลายตายไปใจดวงนั้นก็หยุดใช้เพราะคอมพิวเตอร์มันเสียบางทีคนยังไม่ตายแต่ได้รับการกระทบกระเทือนแปลว่าคอมพิวเตอร์มันมัน ล, วนล้วนลวมันเสียละแต่ใจของเราก็ยังยังอยู่ในร่างกายนั้นอยู่ แต่ใช่ไม่ได้แต่อีกสะวันหนึ่งพอร่างกายแตกสลายจิตใจนันก็ออกจากร่างไปไปปฏิสนธิไปปฏิสนธิใหม่ไปเกิดใหม่นับหนึ่งใหม่จากนั้นเขาใหญ่ขึ้นมาอีกมันบกวนเวียนอยู่จันนี้ใจตรงเนี้ว่าใจตรงนี้คือนามธรรมตรงนี้เป็นนักท่องเที่ยว เที่ยวเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธองค์สนใจเรื่องนามธรรมตัวนีนะ้มากกว่ารูปธรรมในหลักของพุทธศาสนาเลืกอก ร, ร, ร, รูปธรรมคือการเป็นอยู่การอยู่ร่วมกันแต่เรื่องนามธรรมในพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอภิธรรมอ่าประมัตธรรมอภิธรรมนี่แหละคือสอนเรื่องของวิถีของ จิตทั้งนั้นแหะอยู่นั่นจิตกี่ดวงจิตกี่ดวงแต่จะไม่จริงไปวัดรอยของจิตจิตมันไปแล้วก็ไปวัดนจิตคิดเรื่องนี้จิตคิดเรื่องนั้นเเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่นับไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ละวันเราคิดไม่รู้กี่ดวงออกไปไม่รู้กี่เรื่องออกไปแต่ตามไม่จริงก็คือจิตมีดวงเดียวเท่านั้นแหละแต่วิธีการคิดวิธีการกระทําของจิตแนวความคิดวิถีของจิตเดินนะ มีมากเพราะนั้นเราจะรู้ได้ด้วยอย่างไรพิธีจับให้อยู่จิตให้อยู่เป็นหนึ่งได้นี่แหละเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จาเป็นสำคัญอย่างยิ่งทีนี่เราจะเอาอะไรจะทำให้จิตสงบเป็นหนึ่งได้สมาธิทนี่กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้มันปรุงฟุ้งไปทางอื่นให้มันจิตมีพลังให้จิตมีกำลังให้จิตเป็นหนึ่ง เมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วทนึงพิจารณาก็เห็นอะไรได้ชัดอย่างพิจารณากรรมฐานห้าก็เห็นได้ชัดเพราะจิตไม่ปรุงฟุ้งไปทางอื่นพิจารณาอาการสาสบสองในร่างกายผมหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับกําหนดดูอะไรเห็นได้ชัดหรือจะพิจารณากระดูกตัวเองในร่างกายมีกี่ท่อนมีกี่อย่างก็เห็นได้ชัดเมื่อพิจารณาร่างกายเห็นได้ชัดแล้ว เห็นจุดไหนชัดแล้วจากนั้นก็กำหนดดูจุดนั้นจุดเดียวไม่ต้องขยับไปที่อื่นนะดูจุดนั้นจุดเดียวอย่างพวกเราเห็นหัวใจอย่างนี้นอืมเห็นหัวใจชัดในความรู้สึกมันบุบว่าปุบวับแ่มมันเป็นเหมือนเครื่องสูบฉีดของโรงงานนะอย่างใ น, นหัวใจมันเต้นอยู่ตลอดมันสูบฉีดอยู่ตลอดลเราสติจับอยู่ตรงนั้น่ะ ดูที่หัวใจไม่ต้องคิดไปทางอื่นดูหัวใจตัวเองจากนั้นก็จิตก็เข้าสู่ความสงบได้อันนี้แปลว่าหลวงตาท่านบอกว่าปัญญาโอภรมสมาธิคือใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนนะใครๆว่าเมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่รู้จะพิจารณาอะไรก็นํามาจับจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายจากนั้นจิตก็เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง นะเมื่อความเป็นหนึ่งแล้วกับกำหนดร่างกายจากนั้นดูใจของตัวเองนะท่นี้ดูใจตัวผู้รู้นะผู้รู้มันคิดเรื่องอะไรทำไมมันคิดถ้ามีสติดีแล้วจะเห็นจิตจะเห็นใจตัวเองนะท่นีเห็นจิตตัวเองใจของเราคิดเรื่องอะไรมันปุ่งฟุ้งไปทางไหนมันมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์มีประโยชน์มากน้อยยังไงแค่ไหน สมควรจะคิดไหมเมื่อมีสติดีแล้วน่มันจับได้กระทั่งตัวความคิดคิดเรื่องอะไรแต่ถ้าว่าเราสติของเราไม่ดีเราพิจารณากายกับทะเลทลายกาหนดจับลงพอจับหน่อยเดียวก็หลุดลมไปอีกไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องไหนก็ไม่รู้เพราะว่าสติของเราไม่เข้มแข็งแต่ถ้าเมื่อเราสติเราดีเข้มแข็งนะกาหนดอะไร จับตัวไหนติดอยู่กับตรงนั้นเมือ่อพิรณากายแล้วก็พิจารณาถึงตัวจิตตัวนมามธรรมตัวผู้รู้เท่นี้นั่นแหละจุดนี้จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักปฏิบัติของพวกเราให้ดูใจใจมันคิดเรื่องอะไรปรุงแต่งเรื่องอะไรไปทางกิเลสราคะหรือไปกิเลสโทส ะ, ะแต่ไม่ต้องพูดถึงกิเลสโมหะ พบโมหะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมันจะไปออกมาทางโทสะหรือเป็นราคะออกมาในจิตในใจของเราถ้าเรามีสติดีเราก็ทันนะทันเหตุการณ์ที่จิตใจมันจะปรุงฟุ้งไปทางไหนนะี่เพราะนั้นท่านจึงให้ภาวนาจิตตภาวนาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพระแม่กูบายจาร เป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าเรื่องจิตภาวนาเนี่ยถ้าดูภาวนาดูใจแค่อย่างเดียวเท้านัทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูรู้ไปหมดถ้าไม่ทันใจตัวเองนั่นแหะเรื่องต่างๆในโลกนียมันจุงเยือกวนวายไปหมดนะอย่างนั้นก็ดีอย่างนี้ก็ไม่ดีอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปอย่างสรุปแล้วก็คือใจของเราไปเหยียบลอยไปหมดว่างั้น ไปก่อเรื่องก่อราวไว้หมดไปคิดปรุงฟุ้งซ่านไปหมดไปตกแต่งโลกทั้งโลกอย่าให้มันเป็นอย่างตัวเองทั้งหมดมันก็เลยยุ่งทั้งหมดเลยท่านนี่ท่านดูตัวเองแล้วมันกระยับออกไปเราก็รู้มันไปทางไหนมันปรุงมันฟุ้งออกไปทางไหนมันเศร้าหมองหรือมันผ่องใสอย่างไรเราจะรู้ได้ถ้าพอใจ มันก็เป็นลักษณะหนึ่งไม่พอใจมันก็ลักษณะอย่างหนึ่งมันออกไปจากในใจทั้งนั้นกระดิกออกไปสติเราจับตัวนี้ได้ทันนั้นน่ะสรุปแล้วก็คือตัวนี้นะจะต้องพิจารณาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันตัวนี้เป็นอนัตตาเยาวาธรรมะอนัตตาทุ่มลงตรงนั้นจุดที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นทาทั้งสองเงินทั้งเศร้ามอง ก็ดีทั้งผ่องใสก็ดีทั้งดำก็ดีทั้งขาวก็ดีทั้งมืดก็ดีสว่างก็ดีบุญก็ดีบาปก็ดีมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นแหละไม่หยุดไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนั้นคือทำขั้นสูงสุดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนที่ พ, พระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งสอนเอาไว้แต่พวกเราถึงจะไม่ถึงจุดนั้นก็ให้ฟังเอาไว้นะเป็นแนวทางเอาไว้เพื่อจะได้ อีกสักวันหนึ่งพวกเราจะได้นำมาคิดนำมาพิจารณาหรือว่านำมาพิจิตรพิจารณาเลยก็ได้ไม่ผิดที่ตรงไหนเพราะงั้นาการภาวนาก็ให้ดูกายก็ดูใจเท่านั้นนะอถ้ามันไปหลงที่อื่นกับใจของเราไปหลงไปดูสิดูใจสิเพราะนั้นให้ดูใจของตนเองจำไม่หลงถ้าไม่หลงใจตัวเองเราจะไม่หลงอะไรทั้งหมดนะ ในวันนี้ก็ได้พูดธรรมะพอเป็นแนวทางแต่คิดว่ายืดยาวพอสมควรเอาจากนี้ไปนั่งสมาธินทีนี้นะ